เราเป็นกเนี่เราเราก็เล่ได้เราเราทำรักษาน้าเออผมคือโฆษณาจะเป็นสี่นะฮะเห็นว่ามน้ า, นายอยู่สิบท่ไมสี่คงจะเรียนคำภีในเรื่องแต่เราบรรลุได้ไหยครับเราบรรลุไม่ได้นะครับ อ่าล้ออะไรเหตุผลยังมีอื่นอีกนะครับน้ออะไรอินรีพออินซียนะอินรีไม่แก่อินซีเรื่องมีสว่วนแลื้อข้ออินทีแก่ไม่แก่มันเกี่ยวเียเนื่องมาจากบา ร, รมียังไงหลาคนนะในตัวอย่างนะองที่ว่า อะไรอ่ะพอไปถึงสั ง, างขารุปเกศาญาณแล้วมันไม่ลื่นไหลต่อไปอย่าอะไรมากกว่าอธิษฐานได้มะอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์ปกปิดอธิษฐานวกปิดอธิษ า, ษ า, ษานษาษาษาแล้วก็พวกอาริยูบวชะ อริยะอุปวัตถกดาพระอริยะเนี่ยครับยังไม่เป็นก็ไม่ได้เป็นหมายยังเป็นสติวนอยู่ก็ไม่ได้เลื่อนเป็นอริยะเป็นอริยะชั้นต่ําอยู่ก็จะไม่ได้เลื่อนเป็นอริยะชั้นสูงถ้าไปว่าพระอริยะนะสงสัยไหมไว้เป็นเป็นอริยะอยู่แนละ้วทําไมจะต้องไปว่า เป็นอริยมีสิตจะว่าพระอริยมั้ยจ็นไปได้ไหมที่พระอริยจะด่าพราอริยดีนะมันเองคิดเติมไอ้เจะต้องมีที่แล้วก็สงสัยว่าไอ้ไม่น่าจะมีอย่างที่ในวิสุทธิมักยกตัวอย่างไว้พระแก่เป็นพระอรหัน พระหนุ่มเป็นโตดา่าไปบินท บ, บากด้วยกันได้ไม่ทราบอ่ได้พระแก่ก็บินท บ, บาทได้พระต่มทำเป็นโรคท้องท่านก็แวะนั่งซดข้างถนนนั่นแหละพระหนุ่มเห็นเข้าก็ลำคาญลำคานด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแหมเสียเสียวุฒิภาวะของความเป็นพระ มันนั่งตดวดโซโตรมข้างถนนก็เลยหลุว่าไปทีทเปเ่เป็นเแบบรื่อหยาบเลยนะเป็นเรื่องคำแบบหลุดูคนไปทําอะไรคนเปิดในตำน้องอย่างนี้ยราอูนั่นเองก็ทาําไม่รู้ไม่ชี้เยี่ยงห่งวันหนึ่งท่านมันทำเป็นเรื่องจริงจรงถามว่าเป็นไงคุณทําท่านไปถึงไหนแล้วก็บอกว่าเป็นผมเป็นโซดาบันแล้วครับบอกทางนั้นก็อยู่อย่างนั้นแหละ ท่านเลยจำเนึกได้ก็เลยขอสมาขอสมาแล้วก็หายนี่มีเป็นเคล็ดนะครับมาเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไปจะทบพระอริยะบ้างหรือเปล่านะฮะแล้วก็กันเหนียวไว้ก่อนก็สมนอกจากการหมกตัวนอกจากการสักการะบูชาอะไรต่างๆพิธีกรรมขงแต่ละสำนักรเราต้องขอสมาต่อพระอริยะ หันไปยังคิดทั้งสี่ทั้งอาจจะทั้งบนข้้งล่างโดยก็ได้น้นอมไปยังคิดสี่แล้วก็วหว้ขอสมาว่าถ้ามีอริยะอยู่ที่ใดก็ขอถ้าได้ล่วงเกินไว้ก็ขอได้อโหสิกรรมให้จะได้ในก้านขวางการบรรลุธรรมเออก็เรียกว่า ที่เหลือคือเสีจากปัญจานันตรีกรรมแล้วนอกนั้นเป็นภาลชนหมดส่วนรวมทั้งพวกไม่มีศรัทธานยะพวกไม่มีศรัทธาไม่มีขันทนะหมดนี้ทั้งหมดคือข้ออื่นไม่มีข้อเสียแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะก็บรไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นการจะบรรลุธรรมจริงประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง ปัญญาาเมาื่อเราถามอย่างนี้พลาวาสีก็บอกไม่ใช่คือแปลว่าแสดงว่าถึงจะกล่าวในความหมายว่าคนได้ฟังธรรมและการฟังธรรมเป็นปัจจัยที่ได้บรรลุมรรคก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุทุกคนเป็นบางคนเท่านั้น ไหนนะอ๋ออ๋อในรีายาในพันและชนหมดอนะอยู่ในนี้หมดก็คงจะม่งจะเอาที่เด่นเดนมากล่าแยกรายละเอียดเฉพาะปัญจานันติกรรมอ่าใน การชี้ความชัดเจนของความเห็นในฝ่ายพระว่าที่ดูประมาณบอกว่ากองข้าวก็ดีกองทองก็ดีไม่ท้าทองที่บอกได้หรือเราก็บอกว่าใช่นี่อุปมาใช่นะกองข้าวก็ดีกองทองก็ดีใช่ไม่ท้าวทอง ไม้ทาทองหมายถึงไม้เท้าที่ทําจากทองไม่ใชทาสีทองเชืดได้เรื่องอุปมาไม่ผิดนะแต่ว่าอุปมาไม่จําเป็ น, ปนจะต้องเป็นอย่างอุปมาอุปมาคือง้วังได้ไงคแต่คนมงคนเนี่ยฟังแล้วไม่วิเคราะห์ อ, อุปมาว่าสมอุปมาไหมก็ไปสําคัญว่าเป็นอยังไงตัวยอย่างเช่นอไม้ไผ่หลา ย, ลายอัน มารวมกันหักไม่ได้ฉันได้เนี่ยคนเรามารวมพลังกันมางๆก็หักไม่ได้ฉันนะแต่ อ, อุปมาหมายบอกคนหลายๆคนคนเดินเร็วเดิน เ, เร็วนี่เราจะไม่เอาเอาสามัคคีทำนะ่ะเราจะอุปมาทําลายสามัคคีทำคนแต่ละคนถ้าวิ่งโดยตัวเองแล้วก็วิ่งเร็วแต่ถ้าเอาคนหลายๆคนมาขูกขามัดรวมกันแล้วให้วิ่งยดินยร็ไม่ได้ เั่งไม่เร็วเรไม่สะดวกก็ฉันนะเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ตามวิทีกันเลยก็ได้เหมือกันแต่เาต้อมารงมือเออขอข้อที่สบเก้าจะมาข้อที่นิบกล้าจะมา๋อก็ก็จะกล่าวต่อไปเงียครับว่าตัวนี้กันนั่นแหละ ที่เป็นโลโกิยาก็ดีทําที่เป็นโลกุตระก็ดีและพวกมีประภาคตรัได้วยพระวจาที่เป็นโลกุตละเนี่ยเขาต้องการจะกล่าวกลับกล่าวนะครับแต่จริงๆไม่เสียนก็าพูดนะไม่เห็นว่าเขาพูดกลับมา ใ น, นตัวธรรมเนี่ยครับทรรนั้นตัวน้มีปัญหาว่าธรรมที่ทรงกล่าวถึงโดยทั้งโลดีโลกุดตลาตรงนี้มีปัญห า, ว า, ททาญความกว่าปัญหาแต่มีปัญหาตรงที่ว่าพราวาจาเนี่ยตกไปทำอะไรในสองอย่าง ฝ่ายท้าเนี่ยเขาบอกว่าพระวาจาเป็นโลกุตตะละคำพูดเป็นโลกุตตะละแต่ความหมายของคำพูดเป็นโลกียะเม่เป็นโลกุตตะะมแต่ฝ่ายเรานั้นไม่แสดงข้อคิดจริงว่าพระวาจานั้นเป็นโลกียะ ตามหมายของพระวาจาตั้งห้าเป็นโลภิยะและโลกุตระและในพิสูจน์เหตุผลจะมานี่นะครับเขาพยายามชี้ฝ่ายเราว่า ว, าวาจาเป็นโลภิยะด้วหลักการอย่างไรอย่างไรเขาเองเขาพยายามจะไปเปลเสนอประมงประมาก็ื่จะบอกว่าพระวาจาเป็นโลภุตระ อักอ็จะต้องมีการเอาธนะูออกมาแต่ทั่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้พอสมควรถ้าเกิดมีใครมาเทศมาจาอย่างนี้ขน<บ>เขาคงอาะเจ้อนะฮะเอออุปมาอะไรก็ดีว่าเหมือนกัะไม้เท้าทองประวาจาสเหมือนไม้เท้าทองที่กองข้าวก็ได้กองทองก็ได้ อุปมาเนี่เราไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ปิดขาดหรอกว่าไม่เท้าที่อะไรก็ได้ไม่เท้าเป็นทองที่อะไรก็ได้แต่อุปมาเนี่ไม่ถูกเราเก็เเปลี่ยนอุปมาใหม่ในข้อยีสิบด้วยการถามว่ากองข้าวบอดีอกองทองบอดีใช่เท้าทองที่บอกได้หรือพระราวจีท่อง ตอบว่าใช่เ อ, อเดียวจะพิ ม, มพิมผิดละมั้งครับนี่ะพิมพิมผิดครับไม่เทา้าไข้อยืดิดนะกองข้อก็ดีกองทองก็ดีดชใชไม่เทา้าไม่ลหูไม่เทา้าไม่ละหูในนี้เสิร์พิมเป็นทองไปเหมือนกัน ไม้ระหูไม้ระหูรี่จะร อ, อลิงนะไม้ระหูหรู้จักไหมครับไม้ระหูไม่เอาให้มันชัดชัดนหน่อยกับไม้ส่ำฉ า, าก็ะนะแต่เดยอย่าไปใส่นะนี่ว่ากล่าวเทียบเป็นไม้เท้าที่มีราคาน้อย ความมันคงน้อยตัวที่เปลี่ยนอุปมาเชอย่างนี้ครับจากไม้เท้าทองเป็นเป็นไม้ท้าละหุท้าเหมือนกันและครับต้องของเท้าีเป็นไม้ไม ท, ทม้าไมละหูก็ด้และท้าของท่านวาจากของผุทีเจ้าเนยนะจะเป็นไม้ท้าละหมากกว่าไม้เท้าเี๋ยเราจะจะบอกไปอย่างนั้น ถามตราวารีพระราวารีก็บอกว่าใช่กองข้าวกองฟางใช้ไม่เท้าไม้ลนะหูพีได้เราก็บอกว่าก็เหมือนกันนั่นแหละธรรมที่เป็นโลภียะโลกุตนะาครับผมีพระภาคตรัสด้วยพระวาจาทเป็นโลภียะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ในเหตุผลที่กล่าวมาในเบื้องตน้นนั่น นี่นับว่าเป็นความหลักแหลมในการโต้ตอบขอเพิ่มอีกทีเดียวแล้วผมก็ขอแทรกนิดนึงว่าตวายเห็นของนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ้ะ ว, วาจานั้นตัวเมืองสองตุ่มนะก็ม่มหนึ่ง โดยความเห็นวพระราจามุติเจา้านั้นเป็นโลกุตละโดยโสดเดียวโดยเนี่ยนอนไม่ว่าจะตรัสอะไรเต่ย๋ยวก็มีอันนี้ขาขาอีกพวกหนึ่งของอันตกระโดยเนี่ยขยายว่าพระราจามุทิเจา้านั้นก็มีทั้งโลกียโลกุตละโดยที่ว่าทรงตรัสเรื่องอะไร ถาตีตราเรื่องโลกุตละก็เป็นโลกุตละตรงตราเรื่งโลยียก็เป็นโลยียเนี่ยประข า, าท่านวางนี่นะและ้วก็แกว่าเป็นลัทธิหนึ่งของนิการะกาทั้งหลายแต่ว่าในความเข้าใจของผมเองจากการอ่านที่เคราะห์ดูจากตัวเรื่องเนี่ยเป็นความที่ว่าพูดแต่งน่าจะแต่งชี้แจงในมุมอื่น นะครับหรือในเ อ, อื่นที่ผมว่านี่ก็คือในเรืผมได้เริ่มต้นเอาไว้ตรงนี้นะครับดูจากเนื้อหานะแต่ที่ว่าฟังหน้าตาคือพระดุลรัตนที่เขียนไว้แต่แรกนะครับว่าพบบระดุลัตนะโดยคําพูดเนี่ยฐานะของคําพูดกล่าวไปแล้วว่าฐานะของคำพูดนั้นเป็นกิจเนี่ย ไม่ใชโลกุต่ละด้วยถ้าในฐานะของความแ่งคําพูดบย่างเ่่นเราพูดเราพระพราวรชนะเี่เราพูดคดนะ น, รดนรุ่นหลังเราหมายถึงความใช่ไหะเปลี่ยนเะช่นพระวจนะที่นั่นที่นี่พระวชนะกลับอย่างนั้นอย่างนี้เราหมายถึงความการหมายถึงความพับเหนือกันจะเป็นโลภียะเป็นโลกุต่ละทั้งคู่ เป็นความใดนะครับหรือเพราะพระพระวจนะโดยความใดที่ตัดถึงโลกียก็เป็นโลกียความใดที่ตัดเป็นโลกุตละก็เป็นโลกุตละซึ่งว่าพระวจนะเป็นโลกียะโลกุตละแล้วแต่ความนะฮะอันนี้ตรงนี้หมายความอย่างนี้เดี๋ยวเราดูราละเอียดเมื่อเราจะเห็นขั้นพื้นมข้อยืนติดติด เราจะถามว่าพระํารัมของพระครูมีาาพระพาผู้เที่ยงแม่ตรัโรรโรรตรโลกีธรรมก็เป็นโลกีธรรมถ้าตรัตโลกุตรธรรมก็เป็นโลกุตระธรรมหรืออันนี้เป็นการถามย้ำอีกครั้งหนึ่งพระวาอาอทีรับว่าใช่เราจะถามว่าแม่ตรัตโลกีธรรมพระธรรมโลกระทธธุกที่ตดเป็นโลกี ดูตรูปุตตะละว่ารำหลักกระทบโสดที่เป็นโลปุตตะละหรื อ, อาแค่นี้แล้วดูคาตอบก่อนคำตอบมก็ไม่ใช่ยึดที่ยึดแมว่าอะไรหรือว่าตีติตลาดไทที่เป็นโลกิยะก็ตามโลปุตตะละ ก, ก็ตามยกตัวอย่างเช่นตัดโลกะ ล, ลว่าดูความจริงสูตรทั้งหลายนิพพานมีอยู่อย่างนี้แต่กระทบทู ที่เป็นโลกยใช่ไหมครับกลุ่ม อ, ตอุตาหมันมีอยู่แล้วแต่ท้อหูที่เป็นโลกียหรืก็ตฟัง ต, ตรัดว่าดวงก่อมวิถูทั้งหลายเรื่องทั้งเรื่ประหารไม่เที่ยงเป็นต้องเป็นอนตตัตตา็นตราดโลกียต่อในหักนี้ก็เกิด้งหูธรรมดาธรรมดาอีกเหมกันอย่าเว่าเรามีหูอยูญญ่สองหู หูโลคุตาเขาหูโลกียะไว้สําหรับฟังว่าทรงตรัดโลกียะก็ฟังด้วยหูหนึ่งทรงตัดโลกุตาเขาฟังด้วยหูหนึ่งไม่ไเป็นอย่างนั้นมีหูที่เป็นโลกียะอย่างเดียวแล้วก็ฟังตังดดัมบัตที่ในฐานนี้เป็นโลกียะอย่างเดียวถึงจะทรงตรัดทำอันหมายที่เป็นโลกุตาก็ตามตัดทำอันหมายที่เป็นโลกียะก็ตาม เราก็ฟังด้วยหูที่เป็นโลกียะฟังเสียงระดมหลักที่เป็นโลกียะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทั้งสินเนี่ยพอเราถามในประเด็นที่หนึ่งพระวัทีก็ตอบปฏิเสธในประเด็นที่สองเมื่อสลัดโลกียธรรมคนทั้งหลายรับรู้ได้โดยวิญญาณเป็นโลกียะ เม่ตรัสโลกุตระธรรมก็รับรู้ได้ด้วยวยิ ญ, ญญาณนั่เป็นโลกุตระอย่างนั้นหรือตระสวทีก็บอกไม่ใช่จะได้ให้เห็นว่ า, เ, าเราต้องอ่าตไปตรสงตรัสทำอะไรก็ตามเราก็ต้องรับรู้ได้ด้วยวิญญาณโลกีญาเท่านั้นใช่ไหมครับมาจะเป็นใครนะครับจเป็นบุตรชนี้จะเป็นพระอริยก็าตามตเวลาฟังเทศเนี่ย ถ้าเป็นโเกะธรรมนะโยทํธรรมโมหะที่เป็นโลหะธรรมเหมือนกันเท่ากันะอะก็เรียกว่าถ้าวาเป็นท่อนๆก็ต้องถูกตัดตัดมันถูกทั้ง ม, มันไม่ได้แบ่งแยกนะครับ ทีนี้เราเราเราไปนึกแบ่งว่าถ้าตัดโล ก, กีะก็ฟังด้วยหูเป็นโล ก, กีะและถ้ากล่าให้ถูกต่อไปถ้าตัดโล ก, กุตระก็ฟังด้วยหูได้ยิน ญ, ญ, ญาณที่เป็นโล ก, กีะไม่กลาวให้ถูกเหรอครับทั้งคู่ <c oughs> คือหมายความว่าไม่ใช่ตัดโล ก, กีธรรมแล้วเราฟังด้วยวิญญาณเป็นโล ก, กีะเท่านั้นแม้ต ร, รัดโล ก, กุตระก็ฟังด้วยวิ ญ, ญญาณที่เป็น โลกิยาเหมือนกันถามว่าตรัสโลกิยธรรมเนทั้งหลายรับรู้ได้ื่อตรัสโลตระธรรมสามวงต่อหลายรับรู้ได้หรื อ, อตรงนี้ก็คือแยกในลวดสัวของบุคคลแต่ว่ารลยุทธเจ้าเทศเนี่ยตัวเทศเตัวเรื่งต่ำ จะดประเใดก็ตามทุกคนฟังด้วเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่จะดูเร่องอะไรเรงนะแต่ฟังก็ฟังเสียงได้เหมือนกันหมดภาษาโกฟังได้อย่างไรปุตชฌ์องโก็ฟังได้อย่างไรแต่จะได้ความหมายของพระดํำรัสตามนั้นแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรลาวัตีข้อปฏิเสธ ทั้งสามประเด็นเป็นอันว่าปฏิเสธถูกต้องมาถึง 2023. ข้อที่สิบสามข้อที่สามปฏิวัติเรกกล่าวว่าเพราะที่ในรภาพสรัสทั้งโลกีะและโลกุตละมีเหตุผลและตรัสทั้งเนียหมายถึงตรัสถึงนะตรัสถึงคำที่เป็นทั้ง ลกียะและโลกุตระไม่ใช่หรือแล้วก็ไม่ใช่อช่นะครับต้ตตงไปแสดงวิกล่าวว่าพราะดำรัดในฐานะที่เป็นความตอนพระดำรัตที่เป็นโลกุตระหมายถึงาระดำรับที่เป็นความกล่าวถึงโลกุตระ พระลำหลักที่กล่าวถึงโลคียะก็หมายถึงพระลำหลักที่เป็นความโดยความหมายเป็นความถึงโลกียะเนี่ยพระวอาที่ต้องการจะบอกหนงในนี้ว่าพระลำหลักของพระองค์เป็นทั้งโลคียะโลบุตรามีหรือแล้วก็อบอกว่าใช่ใช่นี่แปลว่าเรารับรองว่าพระวาจาโดยความ เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไ, ไหนฮะอ๋อห้องเลขสาม น, ะ ค, ะ, นะครับ อ, อ๋อตัวนี้นะครับเวลาที่ผมรวบรวมผมบางทีเอาคำสรุปออกบางทีมันมันมันยืยดยาวหรือว่า ด้วยเหตุผลบางประการนะครับเพื่อให้มันไปทับก็เลยต้องออกคือท่านสัจจะก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเราตำตำรัดของพระผู้มีพระภาก็เป็นโลกิยะและโลกุตตะละนะสิอะไรอย่างนี้ข้อยี่สับสี่เมื่อข้อเมื่ถามบ้างจะถามเพื่อที่จะแบ่งให้ชัดว่า ท่านจะกล่าวพระดำรับโดยความก็ว่าไปอย่างท่านจะกล่าวโดยคำก็ว่าไปอย่างอยากให้ปนกันต้องแยก ก, ก่อนถ้าใคจะเอามาปนกันอ่งนี้เนี่ยพะเจ้าก็อยากจะถามท่านต่อไปในข้อยี่สี่เป็นสองประเด็นว่าเมื่อตลาดมัดก็เป็นมันเนดเมา่ตลาดเราปัดนี้โทษเออ เียนะเมื่อตลาดมักรก็เป็นมักเมื่อตลาธรรมนี่แ่มักรถูกนะก็เป็นธรรมนี่แ่มักรูนเราต้องการจะรว่าคำพูดนน ม, ม่ได้เป็นไปตา ม, มหรือเ่ใช่มคมรับจผยติตเี่ยทผมก็ไม่ได้เป็นจิตไปตามความหมายที่ผมพูดการเนนิพาก็ไม่ไหมายความว่าคพูดของผมได้กลายเป็นนีพ คือคำพูดที่เจ้ามึงกัดจัวกว่มามาักมักมักเอ่อคำพูดก็ได้เป็นคําพูดอยู่นั่นเองความหมายต่างหเป็นมักจากไมาได้เป็นมักคำพูดก็จะเป็นคำพูดอยูมมยเ่ เ, เองก็ไม่ใช่ว่าละความเป็นมักจากที่ว่าเป็นมาก่อนได้อย่างไรก็คืออย่างนั้นนะครับจะจัดว่ายังไงก็ตาม เมื่อตรัสผลก็เป็นผลเมื่อตรัสธรรมนี่ม่ใช่ผลก็เป็นธรรมนี่ไม่ใช่ผลอย่างน uh ั้นหรือเนี่ยถามเป็นภู่คำถามหมดเมื่ตรัานิพพานก็เป็นนิพพานเมื่อตรัธรรมนิใช่นิพพานก็เป็นธรรมนิใช่นิพพานเมื่อตรัสสังกตะก็เป็นสังกัตตาเมื่อตรัสสังกัตะก็เป็นสังกตะาอย่างนั้นหรือก็เไม่ไช่คําพูดเป็นคําพูดความเป็นความคนละเรื่องกัน มา่ตรัสรูปก็เป็นรูปมา่อตรัสอารมปก็เป็นอารมุปเมื่อตรัสเวทนาก็เป็นเวทนาเมื่อตรัสธรรมไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่เวทนามา่อตรัสสัญญาก็เป็นสัญญาเมื่อตรัสธรรมไม่ใช่สัญญาก็เป็นธรรมไม่ใช่สัญญามา่อตรัสสังขารก็เป็นสังขารเมื่อตรัสธรรมม่สังขารก็เป็นธรรมไม่สังขารมา่อตรัสวิญญาณก็เป็นธรรมไม่ใช่ก็เป็นวิญญาณเมื่อตรัสธรรมไม่ใช่วิญญาณก็เป็นธรรมม่ใช่วิญญาณสิ้ พระวาทิปฏิเสธนะครับในผูกแล้วนะปฏยเสธเนี่ยแปลว่าถ้าวาจาโดยคำนั้นย่อมเปนตัวของตัวเองความหมายของคำเป็นอีกอย่างหนึง่งอย่าเอาไปปนกันปตปปนกับ วัฒนธรรโดยความหมายว่าเป็นความไม่งั้นมันจะแยกกันออกยุ่งอีลงตรงนั้นนะครับมีเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าจบเท่านี้นะครับใครจะถามอะไรตกี่ยวกัเรื่องหลังนั้นเราคงจะพูดขั้นทานได้ หรือจะพูดยาวก็ได้จะพูดสัน้นก็ได้เรื่องนี้ก็น่าจะพูดสัน้นไดให้จบไปในครนั้นี้ถ้าไม่มีก็เรามาดูนะครับในข้อที่เจ็ดือเรื่องที่เจ็ดเรื่อศาสนาสาถาคือเรื่องคำสอนมันก็คล้ายๆกับรองโวหารนี่แหละครับราชนาในเป็นไวโพดของโวหารในทีนี้คาสอนมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ปัญหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลงใหม่ได้ไหมอันนี้จะสอบท่องเงินกับปัญหาเมื่อสักครู่นี้ต้งว่าคําศาสตราสนาหรือคาสนมไม้เดียวแบเดียวกันเขียนอีกทีศาสนาและคําสอนหรือคําของพระพุทธเจ้าคิดทะยานะคิดศาสนาจะดี หมายถึงคำสอนในปุตตะเปลีแปลงใหม่ได้ไหมมันมีความหมายอยู่สองศาศนาบางความหมายนั้นเปลี่ยนไม่ได้บางความหมายก็เปลี่ยนได้แต่ศาสนาที่หมายถึง การสอนอันนี้มีความหมายกว้างมานะครับว่าการสอน ก, กับทาที่สอนนะฮะการสอนในหมายถึงตั้าจารย์ยึดจัดสวี ไต่คำที่พูดดีนี่ขอเขียนแบบเราๆไม่ถึงกับแบบแบบแบบความหมดดูนะฮเรืราา่องปรสเป็นศาสนาทางนั้นเร่องการใช้ไอ่คำการเลือกประเภ ตว ป, ประเภมายถึงประเภทธเขนทันองนี้อาจจะมีการแบ่งแยกประเภทออกไปเป็นกี่ยางๆอย่างในัวมายถึงโครงสร้างมีภาสาตาเรียกว่าวาระวาระดรืเียกรูปแบบอะไรนี้ก็ได้วาระเช่นว่าอาทิตลยานางมัดเจ แล้วก็ปริโยสาณะกริยาหนั ง, อ ย, งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องของการสอนนิทาี่อนเนียนื้อหาเนี่ยครับตัวเนื้อหาสาระที่สอนที่เดจะติดมือนานปฏิจาโะบติ ก็เป็นาว่าศาสนาเป็นอนู่สองกั้นกุศลศาสนามีอยูสส่สองชั้นในใจอหนเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่เรื่องหน้าหน้าเรียนหน้ามาศึกษามากน่าจะรวบรวมมามาเผยแก้มาใช้เป็นหลักเรียนรู้กันเป็นอย่างนี้งมีสองชันคําว่าพุศลศาสนา มลีต่ตนได้นั้นเปลี่นไม่ได้แล้วทรงอนุมัติให้เปลี่ยนหรือไม่ทรงอนุมัติให้เปลี่ยนเรามาดูข้างล่างก่อนถ้าโดยเนื้อหาส า, ะาระคือธรรมสีติธรรมนิยามเนี่ยใครจะเปลี่ยนได้เลยไหมไปเพิ่ไปลดได้ไหมธรรมสีติธรรมนิยามนอย่อย่างนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็มันอยู่อย่างนั้นก็ติเป็นยังไงเนื้อสถานยังก็เป็นอยู่อย่างนั้นใครจะไปเปลี่ยนไปอะไรก็ไม่ได้ ในแง่นี้เปลี่ยนไม่ได้เราจะตรงในย่ามไม่ทรงในย่ามใครก็เปลี่ยนไม่ได้นอกจากพระองค์เองก็ไปเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ในแง่ของเนื้อหาหรือแง่ของตัวทำเรียกกวิทยศาสนาเหมือนกันเนี่ยถ้าในแง่นี้ใช้อะไรเป็นพิทยาศาสนาหมดในความหมายแง่นี้ นั้นใครจิงๆว่าพุทธาสนาเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยในแง่นี้แล้วไม่ได้จิดเราก็แยกตรงนี้ออกนี่นแ่ของการสอนนะครับได้ต้องอนุญาตด้วยต้องอนุญาตยกตัวอย่างเช่นการใช้คมเนี่ยต้องบอกไว้ว่าดูความสูงหลายเคย อ, อย่าใช้ภาษาอื่นอย่ใช้สำหรีบล อยสอนได้ภาษาอื่ใครจะสอนธรรมะตรงเรียนบาลีพูดบาลีให้ได้แล้วสูงสอนไม่มีแต่ทรงอนุมัสว่าเธอไปสอนที่ใดเขาเรียกอะไรว่ายังไงเธอก็ได้ทตาอย่างนั้นแล้วเราไปจ้าเวลานะที่สอนนี้ต้องสอนอะไรภาษานะทีเรียนภาษาเยอะสอนเจอคนที่ไหนก็ทรงฝัดได้หลายภาษาเนะี่ยด้วยความรู้นิริติศาสตร์ท่านจบมาแล้ว สอนละศาสตร์แล้วก็เรื่องของมีดติไปทำนิทานแล้วก็มีแล้ก็สอนได้เยอะแล้วก็ปรุงแปลไปเรื่อยๆไปเห น, อเนือไปใต้ไปไหนสอนได้หมดแต่ทไอ้เจ้าใบอลเป็นบาลีมันเรื่องที่หลังพระท่านมาพระสังฆทานาท่านก็นมาตกหลงว่าเราจะอาภาษาอะไรพอมาสังฆทานาะอาภาษาอะไรเนี่ยพวกหนึ่งเอาเอาอีปานสาสาสกกลิก่นเสลาวานเอาเป็นบาลี เอาเป็นภาษาเดียวจะพูดภาษาอะไรกันก็ตามแปลงเป็นบาลีหมดแต่จริงๆไม่ได้ทรงแสดงเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวที่เป็นอย่างนั้นก็อย่างมหายานนี่ก็คงจะถือว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาเก่าเป็นภาษาที่คนเยอะสูงใช้ทางเสระว่างจะอาจจะ่นนี้ว่าเป็นภาษาที่ทรงประหลัดโดยมากเป็นภาษามหาอำนาจ ก็ได้ใช้ภาษานั้นแทนก็ ด, ดกเเาากีเหมือนกันแค่ว่าไลืออกภาษากลางก็คงจะเหมือนกับคนที่พูดธรรมะในหลายภาษาเนี่ยเวลาวรวมเป็นงานแล้วก็ต้องเอาเอาภาษาเดียวเอาแล้วภาษาแล้วมันไม่เป็ น, นปัญหาตองนนี้เปลี่ยนได้ทําพูดเนี่ยเห็นไหมคแล้ภาษาเอาทํามาท่านไปสอนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาษาไช่ไ ค, คํา แล้วใาาควรทำมันก็มีลาลักษณะนะครับเรีนทั้งชื่อเอ่อี่มีตัวเป็นเป็นอย่างที่ตัดเทคนิคเนี่ยตัวเลขตัดทคัวนี้ไม่ควรแปลนะนะถ้าเดีวนี้นะตัวอยู่ตัวนะนไม่ควรที่จะเปีนนี่ยอย่าไปไปแปลกัน เ, เลยไปแปลแบบแปลทิ้งคําเทคนิค บางคำเราควรจะมีคําทางวิชาการไว้แล้วก็จะอธิบายยังไงก็ไปอย่างอีกหลายคำไม่ไม่ควรแปลหร่อเป็นศัสเทคนิคที่คนควรจะรู้แต่ว่าหลายๆไม่ๆี้ลองทำเราก็ก็แปลได้ที่มันเป็นศาสตร์เทคนิคแล้วแปลแล้วงทีมันเสียความอย่างว่าใส่จี่ดอกะฮาร์ไทยนี่นะที ่านภาษาไทยแล้วไม่ ไ, ม ไ, มได้รดชาติลงไปที่บุรีรัมยแต่ถ้าแขกขเขพเี่ยหมายถึงถ้าแขกเทศจีนเขาก็พูเป็นภาษาบุรีรัมยาก็บางทีก็อาจจะใช้คำพูดอะไรที่ยักยมไปตามท้องที่เพราะว่าสมัยนั้นยังยัอยู่ในฐานะเป็นศรรธธั์เทคนิคสมัยพุทธกาลอย่างสตีนี่นะสตีถ้าธรรมชาติมีสตี แต่ละที่กับาือีไม่ไใช่ส ต, ติตัวเดียวกันหรือส ต, ติตัวเดียวต่างที่บางนีมันมีความหมายถึงสติอิติแต่หมายถึงออื่นก็ได้หมายถึงสัญญาก็ได้ปัญญาก็เหมือนกันค่ะอันนี้ในพระสูตจะมีเขาบอกเรื่องคนฆ่าคนไม่มีปัญญาเนี่ยอุบายฆ่าคน ฆ่าคนมันเป็นเัญนาย่างอุบางก่าคนก็ยกเป็นอย่างเช่นนางนางศีษาโคตมีค่าสามีตายรับจบตับนางคุโทูครับตกจากหน้าผาลงไปตางระพุเจ้าส่งเสิมว่ามีปัญญาศาสตว่ามีปัญญานะ